พึ่งพากันตั้งใจทำใจของเราให้หนักแน่นลงไปอย่าให้ใจมันอ่อนแอท้อแท้การที่เรามาประชุมร่วมกันในศาลาการประเรียนนี้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 เกิดขึ้นจากจิตใจดวงเดียวนี้เองนะไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นบุญก็ดีบาปก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหมู่นี้นะความอยากคือตัณหาก็าเหมือนกันนะก็จิตนี่มันเป็นผู้อยากเป็นผู้ดินน้นรนทะเยอทะยานถ้าจิตดตวงนี้ไม่ทะเยอทะยานแล้วตัณหาไม่มี ปัญหามันจะเกิดเองไม่ได้เลยจิตต่าหากปรุงแต่งมันขึ้นมันจึงมีได้จิตนี้เมื่อบุคคลไม่ฝึกขนอบรมแล้วมันก็ตกเป็นทาสของปัญหานี่เรื่อยมาแหละตั้งแต่ชาติหลังนู้นละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นทาสของปัญหาอยู่อย่างนั้นเนี่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 ถ้าหากว่าผู้ใดขาดความเคารพนับถือในพระคุณทั้งสามนี้แล้วมันไม่มีแก่ใจที่จะมาทวนกระแสของกิเลสตัณหาเลยมีแต่ปล่อยทนให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวกิเลสตัณหามันพายทำบาปก็ทำกับมันก็ไปตามมันกิเลสตัณหามันบันดาลให้ไปทำบุญก็ไปทำบุญไป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 พยายามเลยวนันนี้พยายามทวนกระแสของตัณหาเลยเมื่อมันอยากได้อะไรขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าไอสิ่งที่มันอยากนั่นนะมันเป็นทุกข์เป็นโทษเช่น้ดี้วมันก็ไม่ไม่ไปตามไม่ไปตามความอยากนั้นมันก็ต้องละความอยากนั้นเสียเป็นอย่างนั้นถ้าความอยากอันใดมันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษ มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้ก็จึงค่อยทำไปจึงค่อยไปตามความอยากอันนั้นดังนั้นพูดถึงตัณหาความอยากแล้วมันก็ควรจะแบ่งออกเป็นสองภาคได้อยู่ภาคหนึ่งนะั่นมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนมีความไม่รู้นั่นนะ่ะกากับไปกับความอยาก เมื่อมันไม้มันมีความไม่รู้กากับไปกับความอยากส่วนมากมันก็อยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละ<น>เรื่องของอวิชชาความไม่รู้แล้วมันก็ต้องหมุนไปทางบาปมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ความอยา ก, ก, กาประเภทหนึ่งประกอบกไปด้วยปัญญานี่เมื่อมันอยากสิ่งใดมามันก็ใคร่ควรวญซะก่อน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 ควาสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้ก็ก็จึงค่อยดำเนินไปตามความอยากนั้น mm hmm. เช่นมันอยาก <c oughs> ทำมาหาเลี้ยงชีพแต่โดยทางสุจริตยอย่างนี้นะอา้าทางสุจริตไ่เอาแล้ว mm hmm. ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทางสุจริต ทำอย่างนั้นเป็นทางทุจริตก็ดําเนินไปในทางสุจริตนั้นอย่างนี้แหละแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรอะ่ะมิจฉาชีพสมมาชีพ ม, มิจฉาชีพนั่นหลอกลวงเขาเรื่องชีวิตเส้นไปตนไม่มีคุณวิเศษก็ไปอวดเขาว่าตนมีคุณวิเศษ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 โน่นว <c oughs> ันนี้เมื่อรู้ข่าวว่าญาติโยมจะมาห า, างทีแรกก็ให้เขาเห็นซะก่อนเขามองมาแต่ไกลก็เห็นว่านั่งอยู่แลนะั่นพอเขามาใกล้เขาแล้วไม่เห็นเลยหาอย่างไงก็ไม่เห็นเรียกหาก็ไม่ไม่ตอบเอ๊ะเมื่อตะกีนี่ท่านนั่งอยู่นี่นะไปไหน เสียวัยวานเหลือเกินว่า้นที่แท้แล้วย่องเข้าไปอยู่ในไหคดตัวอยู่ในไหนั้นอย่างนี้แหละพอญาติโยมเขาตามหาไปตามหามาทางนรงนี้ก็ย่องออกจากไห้แล้วก็มานั่งอัอธนาตามเดิมเขาวบ ก, กลับมาไปเห็นเขาเอ๊ะก็คุณเจ้าหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ย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 จะเรินยิ่งขึ้นไปได้อะไรก็ว่าไปเพื่อให้เขาได้รู้ว่าตนมีฤทธิต์ตนหายหตัวได้อย่างนี้เลยอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอารหันต์ลากไซไปอยู่หลังเขาตนไซมันจะขึ้นเกิดขึ้นที่ก้อนหิน ข้างหลังข้างเขานั้นแล้วมันก็ย่อนรากมันลงไปถึงพื้นชั้นล่างนู่บนบนี้เมื่อญาติโยมมาห า, าสนทนาปลาใสกันแล้วเขาก็นิมนต์ไปแสดงธรรมที่นนทีนี้เอ า, เอาโยงมไปก่อนนะแต่จะมาจะไปทีหลังโยมเขาก็ไปก่อน คอยแโยมเขาคอยหลังไปทางนี้ก็กองแก่งลงไปตามรากไสนั่นโหนรากไสรลงไปทางที่ลงโดยแท้จริงแล้วมันทางโค้งอะ่ะมาัม น, นี้โหนรากไทรลงไปแล้วก็ไปยืนคอยแยดโยมอยู่ทางตีนเขานู่นพอายิโยมลงเขาไปเราไปเห็นโอ้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 มาแล้วบัดนี้ไอ้คนหนึ่งมก็ไปดักอยู่ใกล้ๆ ก, กับต้นไทรนั้นพวกหนึ่งก็มานั่งคุยคุยแล้วก็นิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่โน้นที่นี้อายุยมไปก่อนเถอะออแต่ามาไปทีหลังหรอกจะไปพอยงควายหลังไปกับหนรากไทรนั้นลงไป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 หานน้ำหนักไม่ไหวลากไทรขาดบ้านี่นุนก็ตกลงไปกองอยู่ตีนเขานุ่นเอเนี่ยท่านเรียกว่าอรหันลากไทรมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการธรรมะหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดเป็นมิจฉาชีพพระต า, า, าทรงตำหนิแม้เป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันนะยังปรับอาบัติอย่างหนักไว้ซะด้วย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 ดีกว่าที่จะไปสละชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาบุคคลใดไม่ยอมสละชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาแล้วเป็นเหตุได้ไดทําบาปทํากรรมถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขก็สุขชั่วคราวในโลกนี้นะเมื่อละโลกนี้แล้วก็มีทุคติเป็นที่ไปไปสวยทุกทนทรมานอยู่นานแสนนาน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 ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลธรรมของคฤหัสถ์ให้เต็มความสามารถ <c oughs> เรียกว่าเราสละชีวิตเพื่อคําสอนจริงๆสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเราจะไม่ทําที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วเราไม่ทําเลยเอาตายก็ตายถึงแม้เราล่วงเกินคําสอนพระพุทธเจ้าเราก็ตายอยู่เหมือนกัน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 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นต้องทำบาปแน่นอนเลย น, นลยั่นแหละผู้ทำบาปเชนั้นถึงจะมีอายุยืนอยู่ตั้งร้อยปีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประเสริฐเลยสู้คนที่เขามีศีลธรรมมันดีงามแม้จะมีอายุอยู่ได้วันเดียวก็ยังดีกว่านั้น mm. ดีกว่าผู้ที่ประมาท สะสมแต่กรรมชั่วใส่ตัวแล้วมีอายุยืนตั้งร้อยปีไม่ประเสริฐเลยนี่แหละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็จะเห็นได้ว่าอันพระพุทธเจ้านั้นทรงพระเมตตาพระกรุณาต่อสรพรพสัตว์โลกทั้งหลายจริงๆอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้บรรลุถึงซึ่งความสุข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 ทำความดีเกลียต่อความชั่วเพราะว่าในชาตินี้นั้นได้ฝึกลนอารมณ์จิตใจของตนให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วอันนี้ท่านจึงเรียกว่านิสัยวัสนานี่พานเข้าใจถ้าว่าเรามีความยินดีทั้งสองอย่างอย่างนี้นะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั่นแหละ ยินบาปก็ยินดีทามันลงไปบุญก็ยินดีทําอย่างนี้น ะ, ะถึงคราวบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปถึงคราวบุญบุญให้ผลก็เป็นสุขสบายไปออย่างนี้ใครๆก็ไม่ต้องการแหละต้องการแต่ให้เป็นสุขสม่ำเสมอเรื่อยไปนี่แต่เมื่อตนต้องการความสุขให้สม่ำเสมอไปเมื่อไม่ละบาป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 วัาใจเรายังมีบาปอะไรอยู่ใจของเรายังยึดเอาเชื่อแห่งบาปกรรมอะไรไว้บ้างเชื่อแห่งความโลภมันมีอยู่ไหมเช่นเห็นคนอื่นเขามีสมบัติอว่างมันอยากได้อย่างนี้นะมีไหมนี่ถ้ามีแล้วให้กําจัดมันออกไปอย่าให้มันไปอยากได้สมบัติผู้อื่นโดยทางทุจริต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 นี่นะคือว่าความเมาน้ำเมานี่มันมันย้อมความโกรธให้รุนแรงขึ้นเพิ่มเติมขึ้ น, นดีมันเป็นอย่างนั้นเรืมองมันะเพราะฉะนั้นอนะ่ะทุกคนก็ต้องให้พิจนากิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจของตนนี้ให้ได้เราจะไปให้ผู้อื่นทักท้วงให้อย่างนี้มันไม่ได้หรอกไม่มีใครจะมาทักท้วงใครได้แล้วก็ไม่กล้าไปทักท้วงกันนะ อมันเป็นระเบียบมันมีสิทธทิของใครของมันเพราะฉะนั้นทุกคนก็นต้องต้องดูตัวเองนะเมื่อว่าตนนั้นมันยังหนาอยู่ด้วยกิเลสชนิดไหนกิเลสชนิดไหนยังหนาแน่นอยู่ในใจก็พยายามปราบมันให้มันเบาบางลงไปอด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยเราเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปราบมันลงนะอจะไปเอาอื่นปราบไม่ได้กิเลสในหัวใจของคนเราเนี่ย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 เนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนั้นเราต้องทบทวนดูให้ดีคนจะมีปัญญาได้ทรงใจคอหนักแน่นหนึ่งแล้วก็เยือกเย็นหนึ่งเพียบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนี่แหละมันจึงได้มีปัญญาสามารถขจัดกิเลสป่าประทรมให้น้อยเบาบางออกไปจากขิดใจจนกว่ามันจะหมดสิน้นดังแสดงมา